ท า, ทางกันแล้วก็อยู่เหยื่อกันง่ายๆนะเหยื่อกันแบบเรียบง่ายเหยื่อกันแบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนช่วยเหลือกันและกันเนาะดูแลกันและกันแต่ก็ที่ดีที่สุดก็คือ เราดูแลตัวเองนะให้ดีที่สุด <c oughs> ถ้าเราดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเราก็ไม่ต้องเป็นภาระให้กับผู้อื่นนะไม่ต้องให้คนอื่นต้องมาคอยดูแลเราการดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเนะี่ยก็เป็นการเหมือนช่วยผู้อื่นเขาไปนในตัวอยู่แล้วนะทั้ง รวมถึงเป็นการเหมือนทั้งดูแลร่างกายของเราเองดูแลจิตใจของตัวเองอะไรเนี่ยนั้นพวกเราเองก็เน้นเนาะเน้นในการดูแลตัวเองทั้งทางกายทั้งทางใจนะให้ดีที่สุดเนี่ยมันก็จะเป็นการเรียกว่าไม่ต้องเป็นภาระให้กับผู้อื่นที่จะต้องมากังวลหรือว่ามาใช้เวลาในการดูแลตัวเรา อันนี้เป็นเป็นหน้าที่ที่ถ้าเราทำให้มันเต็มที่มันก็ก็เรียกว่าเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นในตัวเพราะถ้าเราดูแลร่างกายให้ดีนะดูแลจิตใจให้ดีนะบางทีถ้ามีคนที่อ่อนแอกว่ามีคนที่เขามีปัญหามีความทุกข์ เราก็สามารถใช้ร่างกายและจิตใจนี้ไปช่วยเหลือคนอื่นเขาด้วยก็ได้นะไม่ใช่ว่าการดูแลตัวเองก็คือการไม่สนใจผู้อื่นนะเมื่อข่าวที่คนอื่นเขามีปัญหามีความทุกข์มีความต้องการความช่วยเหลือเราก็แล้วก็เข้าไปช่วยเหลือได้นะเพราะว่ากายเราก็พร้อมนะจิตใจเราก็พร้อมแต่ถ้ากายเราก็ไม่พร้อมจิตใจเราก็ไม่พร้อมนะ เราก็ไปช่วยเหลือผู้อื่นก็ก็ยากเนะี่ยคล้ายๆเหมือนเราว่ายน้ําไม่เป็นนะเราจะเราเห็นคนตกน้ําเราก็โดดลงไปช่วยเขาให้พ้นจากน้ํามันก็ไม่ได้นะก็อาจจะต้องตายกันทั้งคู่นะแต่ถ้าเราว่ายน้ําเป็นเนะี่ยเจอคนตกน้ําเราก็อาจจะช่วยเขาได้นะ อาจจะนะไม่ใช่ว่าต้องเสมอว่าต้องช่วยได้จริงจริงบางทีก็มีเหตุปัจจัยอย่างอื่นที่บางทีก็เหนือการควบคุมของเราเนาะแต่อย่างน้อยเราก็เอาตัวเองรอดได้นะไม่ช่วยคนอื่นไม่ได้เราเองก็เอาตัวเองรอดได้อันนี้เป็นสิ่งที่ที่สำคัญมากนะเพราะละการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นการเหมือน เราได้ช่วยกลับมาดูแลตัวเราเองให้ดีที่สุดนะช่วยเหลือให้จิตใจนะพ้นจากความทุกข์นยช่วยเหลือให้ทำให้จิตใจมีความสงบสุขมากขึ้นแล้วก็ใจที่พ้นจากความทุกข์ใจที่มีความสงบมากขึ้นนี่แหละก็มันก็ทำให้เป็นสิ่งแวดล้อมให้กับคนที่อยู่ ใ, ใกล้ตัวนะ หรือคนที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรมากเนี่ยก็มีสตินยมีเมตตาในการพูดในการทำนยในการอยู่ร่วมกันเนี่ยหรือถ้าเรามีถ้าเรามีสตินะเมตตามันก็ก็ออกมานะ เ, นเพราะว่ามันเหมือนคล้ายๆเข้าใจนะ เวลาเห็นคนเขาหลงเห็นคนเขาโกรธเห็นคนเขาทำผิดเนี่ยคือมันจะมีความเข้าใจเขานะไม่ใช่ว่าบางทีถ้าคนทั่วไปจะแบบประเภทว่าถ้าเห็นคนอื่นเขาทำผิดเนี่ยก็ซ้ำลงไปนะหรือด่าหรือว่าเข้เขาไปนะแต่เข้าใจเขานี่คือเหมือนคล้ายๆเรามองเห็นว่าอื เขาผิดเนี่ยเพราะว่าเขาไม่รู้นะทำไมเขาถึงไม่รู้นะเพราะว่าเขาไม่เคยมีคนสอนนะหรือว่าไม่ใช่ไม่เคยมีคนสอนแต่คือเขาก็ยังทำไม่ได้ไนะนะยังฝึกไม่ได้นะก็เข้าใจว่าเออที่จริงคนที่ทำผิดทำพลาดนะก็เพราะว่ามันก็มีเหตุมีปจัจจัยนะ บางคนไม่เคยมีคนบอกมีคนสอนบางคนก็ยังเออก็ยังพัฒนาอยู่นะบางคนก็โดนอัปนานของกิเลสนะทำให้หลงไปนะพอเราเข้าใจเขามากขึ้นเนี่ยก็มันก็จะมีเมตตานะไม่ต้องถามว่าทำไมเขาต้องทำอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนะเราเข้าใจเขานะพอเข้าใจแลัวเราก็เออ เพราะเขาไม่รู้เนาะถ้าเราพอบอกได้เราก็บอกกันเพราะเขาหลงเนาะถ้าเราพอเตือนได้เราก็เตือนกันพอเขาไม่มีกาลังใจเนาะรู้อยู่เป็นกิเลสแต่แต่ห้ามใจไม่ได้ไม่มีกำลังเหนือกิเลสนะแล้วก็ชวนกันให้กาลังใจกันเนี่ยพราะแบบนี้นนะมันก็จะเป็นเมตตาที่ ในการอยู่ร่วมกันในการช่วยเหลือกันและกันไม่ได้เป็นการต้ําเติมกันนะแต่เป็นการเหมือนอืก็ช่วยกันนะเท่าที่กําลังเราจะช่วยได้แต่เราเองก็ต้องช่วยอย่างเรียกว่ามีมีอุเบกขาเหมือนกันนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะทำทั้งหลายนะมัน ทำอย่างเดียวนะมันก็เพี้ยนไปได้ง่ายนะทำพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านแสดงไว้เป็นชุดแบบนั้นนะคือท่านให้ใช้เป็นชุดนะถ้าเปียบเหมือนยาเนะเวลาหมอเขาให้ยาเขาก็ให้มาให้มาหลายอย่างนะคือบางทีอันนี้ยาฆ่าเชืออนนเช้ออันนี้ฆ่าเชื้ออันหนึ่งก็อาจจะทำให้ร่างกายมันอ่อนแอไปก็ต้องมียาป้องกัน เชื้อโลกฟางอย่างเข้าไปเสริมด้วยอเงี้ยคือมันเป็นยาครบชุดนะอย่างเขาว่าอย่างเมตตานะถ้ามากเกินไปสรือไม่มีสติปัญญากำกับเหมือนก็พร้อมจะกลายเป็นราคะนะกา่าดนะูนานนะช่วยเหลือเขานะถ้าไม่มีสติคอยกำกับบางทีก็จะกลายเป็น โทสะนะคืออะไรคือช่วยไปช่วยไปมากแล้วนะมันไม่เห็นผลสักทีหรือว่าเขาไม่สนองในสิ่งที่เราช่วยก็กลายเป็นโทสะได้นะมุศิตานะนะมีความปราถนาดีนะแต่ถ้าไม่มีสติคอยกำกับบางทีก็จะก็จะมีโมหะเข้ามาแทรกนะนะ คนอุเบกขาเนี่ยมันเป็นธรรมที่คอยกำกับนะให้เราให้เรารู้จักบางทีทำไปก็ต้องแบบทำแบบปล่อยวางนะมีใจเป็นอุเบกขานะีก็คือว่าเราทำดีแล้วนะก็อย่าไปยึดในความดีนั้นนะว่าเป็นเราทำดีนะเราช่วยเหลือเขาแล้วก็ไม่ใช่ว่าไปยึดว่าเราเป็นผู้ช่วยเหลือนะเรามี มุทิตาน่ะยินดีเข้าไปด้วยก็ไม่ต้องว่าเขาจะต้องว่าอะไรตอบแทนหรือเปล่าก็ไม่ใช่เนะคือมีใจให้มีสติคอยกํากับดูแลอารมณ์ของเราเองว่าเป็นอย่างไรเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลอารมณ์ของเราเองบางทีก็จะเพี้ยนออกไปได้ง่ายๆแต่แต่การที่เรามีมีพร ม, มิหารอยู่ในใจนะ มันก็จะทำให้จิตใจเรามีความสุขจิตใจมีความสงบได้ได้มากนะพอจิตใจมีความสุขมีความสงบได้ได้มากเนะี่ยได้ง่ายแบบนี้มันก็จะทำให้มันมีสมาธิได้ง่ายนะคือใจพอเราคิดดีกับคนอื่นปรารถนาดีกับคนอื่นเนะี่ยมันจะมีความสงบนะเพราะว่า เราไม่ต้องกังวลว่าเขาคือว่าเขาจะต้องมาทําอะไรกับเราแบบนี้เนะาะสมมติถ้าเราทําผิดศีลนยนะไปเบียดเบียนคนอื่นนะไปทําความเหยื่อต้อนอให้กับคนอื่นเนะี่ยใจมันจะเป็นทุกข์เป็นกงนังวลเพราะว่ากลัวเขาจะมาเอาคืนกลัวเขาจะจับได้นะกลัวบทลงโทษอะไรต่างๆใจก็มีความกงังวลนะ คนนั้นคนที่เขาทําผิดน่ะทุกข์ที่เขาได้รับในตอนแรกก็คือเนี่ยแหละความกังวลใจเนี่ยแหละนะอาจจะได้สิ่งของจากผู้อื่นอาจจะได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินในช่วงแรกนะที่ทําผิดนะแต่ผลที่ตามมาก็เนี่ยแหละความกังวลใจความทุกข์ใจนะแต่การทําดีการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ย ผลที่ได้เลยก็คือความสบายใจนะไม่ต้องรอว่าเราจะต้องได้อะไรตอบแทนหรือเปล่านะแต่สิ่งที่เราได้เลยคือความสบายใจความสุขใจเมื่อได้ทำแล้วเนี่ยสบายใจเป็นสุขใจเราจะมาภาวานามันก็ง่ายนะภาวานาก็สงบจิตใจก็เหมือนไม่ต้องมีเรื่องอะไรต้องกนนะังวล เราก็ช่วยเขาเต็มที่แล้วแล้วก็ทำเต็มที่หน้าที่ของเราดีแล้วเนะวลา น, นี้เวลาเรามาปฏิบัติธรรมแล้วนะเราก็ไม่ต้องห่วงกังวลอะไรนะจิตใจก็เป็นสมาธิจิตก็ตั้งมั่นนะจิตก็ตั้งมั่นเกิดสติปัญญาขึ้นมาได้ได้ง่ายขึ้นนยอดิสงนะนะมันก็มันก็ช่วยเหลือกันและกันนะไม่แต่การ ขนาดที่เจริญสติเจริญปัญญานะบางทีมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีความคุ้งร้านเลยนะเพราะบางทีในชีวิตคนมันก็มีความหลงมีความเผลอนะกันอยู่เรื่อยนะแต่ถ้าเรานะมีสติคอยรู้ทันนะรู้ทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมา เราก็จะวา ม, มันได้เร็วขึ้นนะเราก็ดูตัวเองเวลาเราปฏิบัตินะเราเวลามันติดอารมณ์นะคำว่าติดอารมณ์เนี่ยติดทั้งไ่ายลบนะแล้วก็ไยบวกก็มีนะเนี่ยติดอารมณ์นะฝ่ายลบก็เป็นพวกนิวรณ์เป็นกิเลส ต, ต่างๆนะฝ่ายบวกบางทีก็เป็นพวกวิปัสสนาเป็นอินตรายาในต่างต่างนะเป็นเรียกว่าเป็น มันเป็นอารมณ์ของการปฏิบัติอ่ะมันทีมันก็บวกนะบวกแต่มันก็มันก็ทำให้เราหลงไปอีแบบนึงก็มีนะมีปิติมีสุขมีความรู้ตติก้าอะไรเงีนนะ้ยรู้นั่นรู้นี่ไปเรื่อยเนะี่ยมันก็ดูเป็นสิ่งที่แปลกเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ถ้าเราไปติดมันก็ทำให้เราดื่มตัวนะนะไม่ก้าวหน้าต่อหรือบางทีก็หลงไปเลยนะ ฝ่ายลบนี่ก็ก็หนักหน่อยนะกว่าจะผ่านความง่วงความเบื่อความฟุง้งความเครียดความทุกข์ต่างๆนะการมาาคะต่างๆมันก็มันทำให้จิตใจไม่สงบมันฟุ้งซ่านแต่เราก็ต้องฝึกนะต้องฝึกนะอะไรยังผ่านไม่ได้ยังยังติดอยูอ่ก็ให้ยอมรับมันนะแต่เราก็ต้องฝึกในการที่จะเออ ในการฝึกออกมาจากมันนะให้บ่อยๆนะบางอย่างเราก็ต้องละด้วยกันดัดเลยนะยเกเรจับหยาบนะนะบางอย่างก็ต้องดัดนะบางทีดัดนะดัดนี่ใส่ใตัวเองนะบางทีชอบกินมากก็ต้องดัดมันบ้างนะชอบสนุกสนานมากบางทีก็ต้องดัดมันบ้างเลยนะคือบางอย่างก็ต้องดัดนะ แต่บางอย่างก็ก็เพียงแค่รู้นะรู้รู้ว่าเขาเกิดขึ้นมานะเราก็ดูเขานะเห็นเขานะไม่ต้องทำอะไรนะเขาก็ละของเขาเองเราดูไปจริงๆนะกนะารที่เราจเจริญสติเนะี่ยมันจะเกิดปัญญาก็คือเห็นอาการอาการของสิ่งทั้งหลายเนะี่ยมันก็คืออยู่ในกฎของไตรลักษณ์ทั้งนั้นเลยนะ ทุกสิ่งหนึงอย่างล้วนไม่เที่ยงล้วนเป็นทุกข์ล้วนไม่ใช่ตัวตนนะมีเหตุมีปัจจัยก็เกิดนะหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับนะบังคับไม่ได้นะทุกสิ่งึงอย่างมีแต่อาการเนี่ยมีเหตุปัจจัยก็เกิดขึ้นมาหมดเหตุปัจจัยก็ดับลงไปเนะี่ยทําทั้งหลายนะรวมลงมาอยู่ที่การสภาวะที่มีแต่เกิดมีแต่ดับทั้งนั้นเลยนะ หาความเป็นเราเป็นของของเรานะหาไม่ได้นะมันมีแต่อาการโดยโดยธรรมชาติโดยล้วนๆเนี่ยถ้าเราเนี่ยได้เห็นได้สัมผัสกับสภาวะอาการพวกนี้นะความปล่อยวางนะความเป็นอุเบกขากับอารมณ์นะกับเรื่องราวต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นมาเองนะ คือมันมันเพราะมันเข้าใจนะเกิดด้วยความเข้าใจนะอุเบกขานี่ไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจแล้วก็เพิกเฉยหรือว่าซื่อแบบไม่รับรู้อะไรนะแต่อุเบกขาจริงๆคืออุเบกขาที่มีปัญญาเข้าใจความจริงนะของรูปของนามนะเข้าใจความจริงของอกุศลรืิกุศลทั้งหลายนะ ก็ล้วนแต่เป็นสภาวธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะพระเจ้าท่านตัดไว้ขนาดนะี้ยสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะเนะ่ยทำทั้งร้ายทั้งปวงก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะอันนี้เป็นอุเบกขาด้วยสติปัญญาเลยนะเพราะท่านมองเห็นด้วยปัญญาว่าทำทั้งหลายเนี่ ย, เ, ยเมื่อไหรที่เราไปยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้เกิด ค, ความทุกข์นะ แม่สุขมากๆนะเราไปยึดนะสุกมันก็จะเปลี่ยนเป็นทุกข์นะที่จริงมันทุกข์เพราะตั้งแต่ไปยึดแล้วนะเพราะมันเหนื่อยเพราะมันมีทุกข์ในการรักษามีทุกข์ในการอยากให้มันเกิดขึ้นอีกอนะไรน่ะถ้าเราเห็นโอ้ความอยากนี่เป็นตัวทุกข์นะทําทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นก็คือเนะี่ยรู้ว่ามันเกิดขึ้นอ่ะก็รู้นะไม่ไปยึดมั่นมันมันสุขขึ้นมาก็รู้นะ ไม่หลงไหลไปกบมันมันนะมันหายไปแล้วก็รู้ไม่เป็นไรนยะมีอุเบกขานะคอยกำกับเนี่ยจิตใจก็มีความปล่อยวางนะปล่อยวางด้วยความเข้าใจว่าทาทั้งหลายก็เป็นแบบนี้แหละนะมันมีเหตุก็เกิดขึ้นมานะหมดเหตุมันก็ดับลงไปนะไม่มีอะไรที่จะเอาได้จริงๆหรอกเนะี่ย จิตใจมันก็มีมีอุเบกขานะมีปัญญานะแต่บางอย่างเราช่วยเหลือกันเราก็ช่วยกันไปนะตามเหตุตามปัจจัยนะช่วยไม่ได้ก็มีจิต ท, ที่ปัตตนาดีไว้ก่อนอเนาะแบบนี้มันก็จะมีความสุขนะเป็นความสุขที่ชอบทำนะเป็นความสุขที่นะเกิดจากเรียกว่าใจที่ เข้าใจคนอื่นนะเข้าใจตัวเราเองด้วยนะแล้วก็ไม่ไปหลงยึดนะคือทำดีก็เพื่อทำดีนะไม่ใช่ทำดีเพื่อจะต้องได้ดีนะทำชั่วก็เพื่อละความชั่วนะไม่ใช่ทำชั่วเพราะว่ากลัวกลัวคนนั้นคนนี้เขาจะว่าเขาจะจับได้อะไรต่างๆดังน้น บ, บางคนเนะี่ยพออยากจะเป็นคนดี บางทีก็เครียดมากนะเพราะว่ากลัวถ้าทำไม่ดีคนอื่นเขาจะว่ากลัวทำไม่ถูกตามที่สังคมเขาให้มาตรฐานนะก็ต้องพยายามทาให้ได้ตามที่มาตรฐานสังคมนะบางทีทาดีหรือว่าทำให้ตัวเองมีคุณค่ามีประสิทธิภาพเนะี่ยไม่ใช่อะไรนะเพราะความกลัวความกังวลเพราะความก็ ทำไปก็กลายเป็นความเครียดบางคนพยายามจะสร้างภาพตัวเองให้เป็นคนดีแต่เป็นคนดีแบบทุกข์แบบเครียดนะนี่ที่จริงการการละความชั่วนี่ไม่ใช่ละด้วยความกลัวหลักที่จริงนะแต่มันเป็นการละเพราะนะเพราะรู้เท่าทันกิเลสที่มันเกิดขึ้นมานะมันก็ละไปเองนะไม่ใช่ละเพราะว่าไม่อยากให้ใครว่า ไม่ใช่ละเพราะอยากให้คนชมนะแต่ละเพราะเราเห็นโทษนะเพราะเราเห็นทุกข์จริงๆเนี่ยเราก็ละมันได้นะด้วยความสบายใจละไปแล้วคนจะชมคนจะว่าก็ไม่ใช่เรื่องของเราแล้วไม่ใช่เรื่องเราบังคับเขาได้แล้วเนะี่ยปัญญามันก็เกิดขึ้นมาเข้าใจโล ก, กธรรมเนาะโล ก, กธรรมเราอยู่กับโลกก็ต้องมีธรรมดานะนะ มีนินทามีสรรเสริญมีสุขมีทุกข์มีได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศนะมันเป็นธรรมดานะมันไม่ได้เกี่ยวว่าเราทำดีแล้วเราจะต้องได้แต่ดีได้แต่สุขได้แต่ฝ่ายบวกนะคนชั่วก็ต้องได้แต่ฝ่ายลบอย่างเดียวมนะันก็โลกธรรมมันก็มีเหตุมีปัจจัยของเขาอยู่นะไม่ใช่เรื่องเราจะไปบังคับได้นะเราก็อยู่กับโลกได้นะนะ คนที่มีธรรมะมีเมตตา ก, ก็อยู่กับโรคย่างเข้าใจแล้วก็โลคจะโรกกระทจะเกิดขึ้นอย่างไรเราก็ไม่หลงด้วยนะนะเพราะบางทีถ้าเราไม่มีสติกำกับก็หลงนะคนชมก็หลงตอนได้ก็หลงนะตอนเสียก็หลงตอนค้นว่าก็หลงแบบนี้นนะหลงไปคนละแบบนะก็คือหลงนะแต่ถ้ามีสติดูเท่าทันเนี่ยมันอยู่เหนือ เหนือโลกธรรมพระพรุทธเจ้าท่านเคยท่านเคยนิมิตนะเคยฝันนะีนิมิตคือฝันตอนวันคืนที่ก่อนจะตัสรู้นะท่านถ้ามีนินมิตห้าประการนะมนีนิมิตประการหนึ่งท่านท่านฝันว่าท่านเดินอยู่บนโลกนะบนโลกเนี้เต็มไปด้วยคูดคูดก็คืออุจจาระนะคือขี้นะ ท่านเดินอยู่บนโลกนะ่ะที่เต็มไปด้วยคูดนะแต่เท้าของท่านเนี่ยไม่แตะคูดเลยนะความหมายเนี้ยนิมิตของท่านก็คือเนะี่ยท่านอยู่กับโลกเนะี่ยมีโล ก, กธรรมนะที่มันเกิดขึ้นมาบนโลกเนี่ยเป็นธรรมดาของโลกนะมองโล ก, กธรรมเหมืเป็นคูดนะนะอย่างแต่เท้าของท่านเนะ่ยไม่ติดคูดเลยคือมันมีโล ก, กธรรมเกิดขึ้นมานะ ทั้งแป่ประการนะแต่ใจท่านนะ่ะไม่ติดนะไม่ติดในโลกธรรมทั้งแปประการเนะี่ยอันนี้คือคือสิ่งที่เรานะต้องฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตนให้ให้เข้าถึงสภาวะนี้นะครับนะก็นะักก็เป็นเพื่อนกันเป็นมิตรกันนะดูแลตัวเราเองให้ดีที่สุดนะช่วยเหลือผู้อื่นนะ ตามเหตุปัจจัยที่เราทำได้เนาะแต่ก็ช่วยด้วยความปล่อยวางช่วยด้วยการรู้เท่าทันนะในโลกธรรมนี่มันเกิดขึ้นมานะไม่ไปเป็นทุกข์เพราะมันนะแต่ก็ให้มีกำลังใจในการฝึกฝนตนเองให้เต็มที่นะช่วยเหลือผู้อื่นตามกําลังที่เราทำได้นะก็ฝากไว้ครับนะ